รัฐจนปุต 23 มิถุนายน 2533 ก็เป็นอันว่าหลายๆวันจํา ท่านแพทย์ช่วยยกขึ้นถ้านั่งเก้าอี้ก็พอไหวแล้วการฉันข้าว เมื่อวานเม 22 มิถุนายน 2533 คุณไพโรจน์ขอบคุณสมคิดลืมนาม ซื้อของมาแล้วยังของที่คุณวิโรจน์รัก แต่ของที่มาถึงแล้วเป็นของ มันมีกล้องส่องทางไกลแล้วก็สามารถจะฐานมาจะเห็นไกลๆได้โดยไม่เท่าไหร่ทั่วไปถ้าใครเค้าเดินมาถ้าจำ วันนี้ก็ขอคุยเรื่องวัดคลองยันปลายพวกเรา ว่าเราเริ่มตาขึ้นท่านก็เริ่มตาท่านก็ถามว่าอาจารย์ปานสอนขนาด ค่อยๆเหมือนๆทําตามกําลังที่เพิ่งทําได้ท่านก็พอใจ ถ้าพระสั่งว่าเชิญนี้ไม่ควรทําหลวงพ่อจะไม่ทําผมอยากจะศึกษาวิชานี้ ท่านถามว่าเคยเห็นภาพพระพุทธรูปไหมเคยเห็นก็ตอบว่า ก็กราบเรียนบอกว่าตามจริงตำราเขาไม่มีถ้าว่าเราทํากันได้ แต่คนเขียนลําราในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่ก็เป็น สิ่งที่ถามต้องเป็นประโยชน์นะต้องเป็นคุณต้องเป็นประโยชน์มีเหตุมีผล 15 วันท่าน 7 ใบก็ได้ 15 ใบก็ได้พอใจเมื่อไหร่ก็บอกฉันกลับได้ แต่ถ้าจะนี่ขออย่าได้จะจะยึดถือมันแล้วเรียกมันไม่ได้ไม่ควรใจละเสมอเป็นของธรรมดาถ้าเรายัง <c oughs> ใน ดูตามความเป็นจริงว่าในร่างกายนี้ตรงไหนมันดีบ้างจะดูผิว พระจริงๆเอาแน่นอนๆนั่นคือ 10 บารมี 10 ประการนี้ต้องท่องจําพ่อปานเปียกเปะเขียนไว้ข้าง 10 จะ เป็นการนิสสังสังโยชน์ 10 สังโยชน์ 10 ประการนี้ท่านถันหน้ามันทาง ทำ 3 ก่อนให้ <c oughs> <c oughs> 3 แล้ว 5 ไป 2 ถ้า 10 ก็ 10 ไม่จะเป็น จะเป็นหรือไม่เป็นต้องทําทําให้ชํารชนแล้ว ความจริงที่ท่านพูดนี่บรรดาท่านพระอริยสัจถ้าเราฟังกันยังเวลานี้ยังเป็นพระกังหันอยู่มันปวดหน้าปวดหลังปวดหน้าหันไปข้างหน้าปวดหลัง เขากินข้าวไม่ได้มันหิวโหยก็หันไปติดท้องใครเข้ามาก็ต้องจ้องนานๆหันไปที่หน้าเขาเพราะมันมองหน้าไม่ถนัด ว่าร่างกายแย่ถึงขนาดนี้แล้วร่างกายแย่ถึงขนาดนี้ <c oughs> แต่จังหวัดเชียงรายก็มีสมังคโลกสงไวยก็ก็มีเวลาที่มาแล้วว่าสวรรค์ไม่พบกําลังใจก็ท่านสอนให้แนะนําให้ปฏิบัติตามที่ ก็จึงกราบท่านท่านก็บอกว่าต่อนี้ เพราะว่าการถามพระนี่พระทุกองค์ที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกัน ถ diyors willkommen ถานvi Leave me, ask am I to shoot, ถ fünf would be ordinary and we can try to pour into question คำ 아니わ gone beyondγ caring. without any dudes. as we still get further questions. of course, if you have a problem, let me ask you what to ask a few questions, when we see the nineks, nung in the dark, weil ถามนพขอรับการถามพระน่ะกระผมสงสัยเพราะกําลังใจของผมยังไม่แน่นอน ให้กระรับฟังตามนั้นถามตามนั้นถ้ากําลัง <c oughs> อันนี้ต้องสังเกตให้ได้จำให้อย่าถามแล้วก็เชื่อเลยถามแล้วต้องเพียงเท่านี้ เข้าใจแล้วก็กราบลาธรรมมาต่อมาถึงเวลากลาง <c oughs> อันดับแรกก็จับพุทธานุสติกาอานาปานุสติก่อนการจับคุยกับเพื่อน เห็นภาพพระพุทธเจ้าในอกวางถ้าคุยกับ 2 องค์คือพระบะเจีร์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามความรู้สึกของจิตไปเห็นตามนั้นนะก็ถามว่าเห็นมากี่วันก็ต้องขอตอบว่าเห็นมา จะถามท่านที่ถามไม่เป็น ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8 พอชั้น 8 ถ้าคนสมัยนี้ที่มากเพราะเวลาณอาตมามีความรู้ยังไม่เท่ากับพวกที่ฝึกมโนมยิทธิ การเก่งกว่าทนงว่าเก่งไม่ช้าก็ เห็นท่านนั่งงามสง่าจนหน้าสวยงามมากก็แย้มประโศธท่านถามว่าอยากจะคุยกับพระแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีอะไรถามฉันได้แต่ว่าจงทิ้งอุปาทานนะคําว่าอุปาทานคืออารมณ์จิตที่คิดไว้ <S an> ว่าต้องเป็นอย่างนั้นๆต้องใช้กําลังวิปัสสนาญาณให้มีๆเห็น คำว่าอย่างดีก็หมายความของแท้ถ้าว่ายังมีอุปาฐายครอบงามอยู่ระวัง จงจำอารมณ์ไว้ว่าอารมณ์เชื่อจงอย่าถามจะถามแต่เมื่ออารมณ์ดี ท่านพวกฟังพระพระอ้ายเคยคิดว่าจะถามอะไร <c oughs> ถ้าเราไม่ทรงบารมี 10 ก็ถามได้บอกว่าถ้าบังเอิญตัด อะไรที่ 10 กับ 10 ปฏิบัติ 10 ให้ได้ 10 ให้ได้ครบถ้วนอัน ถ้าตัดได้ได้ 10 แล้ว 10 ให้ครบถ้วน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นด้วยการสัญญาก็ถามท่านบอกว่าสัญญามันมีอะไรครับท่านบอกว่ามันไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> จงตั้งใจรักษา 3 ข้อจะให้ ถ้าถามว่าจะตัดสินใจชนโตจะแค่เวลานานเวลานาน 10 ปีไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่ปีโน้นสําหรับเธอตัวเธอนี่ 20 เวลาในกบวดเข้ามา 2 บรรษาแล้วเข้าว่าจะจะเข้าบรรษาที่ 2 เพิ่งเป็นบรรษา พระภิกขุก็ต้องมี 3 ประการ 5 ประการ 10 ประการจะ <c oughs> ท่านมาใหญ่เท่าเดิมหน้าตักประมาณ 8 ศอกเศษๆสวยมากผู้จ๋าไพเราะยิ้ม นั่นหมายความครั้งนั้นก่อนก็อาจ พอรถประมาณหน่อยสัญญาณบอกหมดเวลาเกิดเสร็จแล้วขอลา <c oughs>